คราวที่แล้วเราได้ฟังกันมาถึงตอนที่ว่าท่านอาจารย์สัญชัยเวระธบุตรมีความไม่พอใจในพระพุทธศาสนาเพราะเหตุที่ว่าพระสารีบุตรและพระโมคคลานะซึ่งเป็นสิทธิเอกทั้งสองของท่านอาจารย์สัญชัยได้หันมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทำให้ลาบสการะของท่านอาจารย์สัญชัยที่เคยได้ก็ลดลง ดังนั้นเพื่อจะกู้ชื่อเสียงกลับคืนมาท่านอาจารย์สัญชัยจึงได้ประชุมเหล่าสาวกเพื่อหาตัวแทนที่จะไปโต้วาทีกับพระเรวตะที่ประชุมได้คัดเลือกมีมติให้สุระเมทะซึ่งเป็นผู้คงแก่เรียนเป็นตัวแทนไปโต้วาทีเมื่อถึงกำหนดนัดหมายประชาชนในพระนครราชครื ต่างหลั่งไหลมาฟังการโต้วาทีในครั้งนี้กันอย่างล้นหลามน่าสังเกตนะคะในสมัยก่อนนั้นดูผู้คนสนใจในเรื่องศาสนาเพราะมีเหตุการณ์อะไรเกี่ยวกับศาสนาเขาก้ให้ความสนใจมากการถามตอบจึงได้ดำเนินไปสุระเมทะมีความสามารถมากในการปฏิเสธและยอมรับว่าใช่หรือไม่ใช่ แต่ด้วยความชาญฉลาดของพระเรวตะจึงทำให้พระสุรเมทะต้องนั่งนิ่งอึง้งตอบไม่ได้แสดงอาการกระสับกระส่ายมีเหงื่อไหลออกมาชุ่มโชกตัวเราก็ฟังมาถึงตรงนี้นะคะและเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังได้นาบัดนี้ค่ะ ไปยังคู่ต่อสู้อีกครั้งหนึ่งแล้วกล่าวว่าท่านสุระเมทะเป็นอันว่าบัดนี้ท่านยอมรับว่าถนนสายดังกล่าวนั้นมีสองลักษณะคือลักษณะมายาตามที่ตาเห็นและลักษณะอันแท้จริงตามที่ท่านคาดคะเนไว้ด้วยใจใช่หรือไม่คําถามของพระเะถระทําให้สุระเมทะนิ่งอึ้งไปทันทีเพราะถ้าจะยอมรับก็เท่ากับยอมรับว่า ความจริงมีอยู่และความจริงนั้นสามารถรู้ได้ด้วยการพิสูจน์ซึ่งขัดกับทัศนะของลัทธิสัญชัยอย่างชัดๆถ้าจะปฏิเสธก็จะต้องเป็นการปฏิเสธคำพูดของตนเองซึ่งได้ยืนยันไปแล้วและพระเล ว, วัตะก็ได้ประกาศให้ประชาชนรับทราบแล้วเมื่อตกอยู่ในฐานะลำบากกลืนไม่เข้าคายไม่ออกอย่างนี้สุรเมทะก็ได้แต่นั่งนิ่ง แสดงอาการกระสับกระส่ายมีเหงื่อไหลออกมาชุ่มโชกตัวท่านสุรเมธะพระเถระพูดขึ้นอย่างได้ทีในเมื่อท่านไม่ตอบคําถามของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะถือว่าท่านยอมรับว่าภาพมายามีอยู่แต่ในขณะเดียวกันความจริงแท้ก็มีอยู่และความจริงแท้นั้นเป็นสิ่งที่ท่านรู้ได้แน่นอนเช่นเดียวกับที่ท่านรู้ได้แน่นอนว่าถนน ไม่ได้มีปลายเลียวเล็กลงตามที่ท่านเห็นเมื่อท่านยอมรับแล้วเช่นนี้ก็เท่ากับเป็นการคัดค้านลัทธิของท่านเองที่ถือว่าความจริงเป็นสิ่งที่คนรู้ไม่ได้ท่านผู้มีอายุท่านมีอะไรจะกล่าวแก้ตัวหรือไม่ข้าพระเจ้าจะให้โอกาสแก่ท่านอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าไม่มีอะไรจะแก้ตัวสุลเมธะกล่าวด้วยเสียงอ่อ ย, ออยในตอนนี้ข้าพเจ้า ขอยกคะแนนให้ท่านขอบคุณมากท่านสุรเมธะก่อนที่จะเปิดโอกาสให้ท่านถามข้าพเจ้าเป็นการตอบแทนข้าพเจ้าก็อยากจะอธิบายทัศนะของเราให้ท่านทราบไว้เสียด้วยพระบรมศาสดาของเราตัดไว้ว่าความจริงมีสองอย่างคือสมุติสัจจะความจริงที่โลกสมุติเรียกและรับกันไว้เพื่อความสะดวกในการติดต่อเจรจากันเช่นสัตว์บุคคล วัตถุสิ่งของต่างๆที่เราใช้และยอมรับรู้กันอยู่ประจาวันสมมติสัจจะเป็นความจริงชั้นนอกซึ่งสามารถจะรู้ได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจเช่นทุกคนเห็นคนก็รู้ว่าเป็นคนทันทีไม่มีใครเห็นเป็นช้างไปได้ยังมีความจริงอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าปรมาทสัจจะคือความจริงแท้ที่อยู่เบื้องหลังสมมติสัจจะนั้นอีกทีหนึ่ง เป็นความจริงชั้นในที่สามารถจะรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งหแต่อาจจะรู้ได้ด้วยปัญญาและการศึกษาค้นคว้าตัวยอย่างเช่นคนที่เรารู้ว่าคนยอมรับกันในขั้นของสมุติสัจจะว่าคนนี้ถ้าแยกย่อยลงไปถึงขั้นปรมัตติสัจจะคนก็ไม่มีมิแต่การประชุมแห่งธาตุสี่ขันห้า 4, 5, ซึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป ตามเหตุปัจจัยเท่านั้นขอให้ท่านเข้าใจตามนี้ด้วยต่อไปนี้ถ้าท่านมีปัญหาอะไรจะ้ซักถามข้าพเจ้าก็เชิญท่านถามได้เป็นอันว่าทางพุทธศาสนายอมรับว่าความจริงสองอย่างคือความจริงภายนอกและความจริงภายในสุรเมธะกล่าวขึ้นหลังจากนั่งนิ่งอยู่เป็นเวลานานและความจริงทั้งสองอย่างนี้คนสามารถจะรู้ได้ ถูกแล้วท่านสุรเมธะพระเถระตอบข้าพเจ้าจะขออธิบายเพิ่มเติมว่าในความจริงสองอย่างนี้ความจริงขั้นปรมัตเป็นความจริงแท้กว่าส่วนความจริงขั้นสมมติเป็นความจริงทั่วคราวความจริงที่โลกสมมติเรียกกันในชีวิตประจําวันเท่านั้นแต่มันก็เป็นความจริงเหมือนกันแม้แต่ท่านเองก็คงจะรู้ความจริงข้อนี้และยอมรับความจริงข้อนี้ ข้าพเจ้าไม่เคยยอมรับว่าคนรู้ความจริงขั้นใดๆเลยสุรเมธะตอบอย่างเด็ดขาดเฉพาะอย่างยิ่งความจริงขั้นสมมุติที่ประสาทสัมผัสทั้งห้ารายงานให้ทราบข้าพเจ้าก็ไม่ยอมรับเป็นอันขาดถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าเห็นจะต้องถามท่านอีกพระเถระกล่าวขึ้นข้าพเจ้าขอถามท่านว่าวันนี้ท่านบริโภคอาหารเช้าแล้วหรือ ย, ยัง ข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านต้องได้บริโภคมาแล้วแน่ๆข้าพเจ้าอยากทราบว่าท่านบริโภคโภชนอาหารอย่างคนทั่วๆไปหรือบริโภคก้อนอิฐก้อนหินแทนข้าวสุลเมทะมองดูพระเถระอย่างงงๆและย้อนถามว่าทําไมท่านถึงได้ถามอย่างนั้นเล่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าก็ยังคงบริโภคอาหารอย่างเดียวกับคนทั่วๆไปนั่นเอง ข้าพเจ้าจะบริโภคก้อนอิดก้อนหินเข้าไปได้อย่างไรสุรเมธะทำไมท่านจึงไม่บริโภคก้อนอิดก้อนหินเล่าก็มันไม่ใช่อาหารนี่ท่านเลวัตตะข้าพเจ้าจะบริโภคมันเข้าไปได้อย่างไรสุรเมธะพูดด้วยอาการหัวเสียท่านสุรเมธะพระเถระพูดด้วยอาการยิ้มแย้มนี่แหละแสดงให้เห็นว่าท่านเองอยังรับรู้ และยอมรับสมุติสัจจะเพราะท่านรู้ว่าอะไรเป็นอาหารอะไรไม่ใช่อาหารแล้วท่านก็เลือกบริโภคเฉพาะสิ่งที่เป็นอาหารไม่บริโภคสิ่งที่ไม่ใช่อาหารเช่นก้อนอิฐก้อนหินเป็นต้นถ้าท่านไม่รู้ว่าอะไรเป็นอาหารอะไรไม่ใช่อาหารท่านอาจจะบริโภคสิ่งที่ไม่ใช่อาหารก็ได้แต่นี้ท่านไม่เคยบริโภคก้อนกรวดก้อนหินเลยแสดงว่าท่านรู้ว่าสิ่งนี้เป็นอาหารบริโภคได้ เมื่อท่านรู้ว่าอาหารเป็นอาหารและเลือกบริโภคแต่อาหารท่านก็รู้สมมุดติสัจจะและยอมรับส ม, มุติสัจจะท่านเลวตะผู้เจริญสุมเมธะกล่าวขึ้นในที่สุดข้าพเจ้าต้องขอสารภาพต่อท่านว่าข้าพเจ้าได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับพุทธธรรมและลัทธิของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าจะต้องหันเข้าพิจารณาดูตัวเองและลัทธิของตนเองอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้าเป็นผู้รักความรู้และสแสวงหาความรู้ตลอดเวลาข้าพเจ้าอายุยางน้อยความรู้และประสบการณ์ในชีวิตอย่างน้อยจึงขอเรียนจากท่านต่อไปการโต้วาทีในวันนี้ข้าพเจ้าขอยอมแพ้ท่านแต่โดยดีและขอยกคะแนนทั้งหมดให้แก่ท่านการกระทำของข้าพเจ้าครั้งนี้อาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ต่ออาจารย์และคณะของข้าพเจ้า แต่สำหรับข้าพเจ้าเองนั้นข้าพเจ้าได้ประโยชน์อย่างมหาศาลจากการโตรวาตีครั้งนี้เป็นอันว่าการโตรวาตีในวันนั้นสิ้นสุดลงด้วยอาการประหลาดพาะสุรเมธะฝ่ายสัญชัยได้ยอมพ่ายแพ้ต่อพระเลวะตะแต่โดยดีและยังแสดงความเลื่อมใสแทบจะยอมมอบตนเป็นสิทธิของคู่ต่อสู้เสียอีกยังความผิดหวังความขุ่นเคืองและความอับอาย ให้เกิดแก่ฝ่ายศาสดาสัญชัยเวรัตบุตรเป็นอย่างมากตรงกันข้ามกับฝ่ายพุทธบริษัทซึ่งดีอกดีใจอย่างใหญ่หลวงต่อชัยชนะของฝ่ายตนทุกคนต่างออกปากชมเชยพระเรวตตเถระไม่ขาดปาก ผิดหวังอันใหญ่หลวงทําให้บรรดาสาวกผู้ใหญ่ของสัญชัยเวรัตบุตรประชุมกันเพื่อพิจารณาโทษของสุรเมทะในคืนวันนั้นเองท่านอาจารย์สันชัยเองได้มานั่งเป็นประธานในการประชุมพิเศษค่าวนั้นสุรเมทะเอ๋ยท่านอาจารย์ผู้ชารากล่าวขึ้นด้วยใบหน้าอันหม่นหมองเสีอแหง่งที่เราได้ไว้วางใจคัดเลือกเจ้า ให้เป็นผู้แทนเข้าโตวาทีกับสาวกของพระสมณะโคดมด้วยเชื่อในความรู้ความสามารถและไหวพริบปฏิพานของเจ้าเพราะเจ้าได้แสดงความสามารถให้เราเห็นมาแล้วหลายคราวเรามั่นใจว่าเจ้าจะนำชัยชนะกลับมาสู่หมู่คณะตรงกันข้ามเจ้ากลับนาความปาชัยและอับอายและความหายณนะมาสู่หมู่คณะ แทนที่เจ้าจะไปโตวาทีกับเรวตะภิษุอย่างแข็งแรงเอาจริงเอาจังหวังเอาชนะเจ้ากลับไปยอมแพ้ต่อเขาอย่างง่ายดายเจ้ากระทำไม่สมศักดิ์ศรีของสาวกคนสำคัญของสัญชัยเวรัะบุตรเจ้าควรจะได้รับการลงโทษ ต, ตามสมควรสุระเมทะนั่งก้มหน้านิ่งฟังคำด่าว่าของท่านอาจารย์ด้วยอาการอันสงบเราจะลงโทษแก่สุรเมทะ โดยสถานใดจึงจะเหมาะสมอาจารย์สัญชัยหันไปถามสาวกคนสําคัญสําคัญซึ่งนั่งอยู่พร้อมหน้าข้าพเจ้าเห็นว่าควรจะลงธนกรรมให้เขาทํางานหนักเป็นเวลาเจ็ดวันสาวกคนหนึ่งตอบข้าพเจ้าเห็นควรให้เขาอดอาหารเป็นเวลาสามวันสาวกอีกคนหนึ่งเสนอข้าพเจ้าเห็นว่าควรให้เขาปฏิบัติบํารุงสาวกอาวุโสเป็นเวลาเจ็ดวัน อีกคนหนึ่งแสดงความคิดตลอดเวลานี้สุรเมธะยังคงนั่งนิ่งไม่ได้โต้ตอบอีกประการใดและดูท่าทางเป็นปกติไม่ได้แสดงความวิตกตอบโทษทันที่สาวกเหล่านี้จะกําหนดให้แก่ตนยิ่งกว่านั้นเขายังยิ้มเล็กยิ้มน้อยทุกครั้งที่สาวกแต่ละคนกําหนดโทษให้แก่ตนข้าพเจ้าเห็นว่าเออสาวกคนชราพูดขึ้น หลังจากที่คนอื่นๆเสนอความเห็นของตนจบลงไปแล้วเออโทษทันต่างๆดังที่ท่านทั้งหลายพูดมานั้นยังเบาเกินไปสำหรับสุระเมตะเพราะเท่าที่ข้าพเจ้าได้ฟังการโตวาทีระหว่างเขากับสาวกของพระสมณะโคดมมานั้นเขามีได้แพ้ในเชิงวาทะอย่างเดียวแต่ยังแพ้ในหลักเหตุผลทางศาสนาอีกด้วยเขาได้ยอมรับอย่างชื่อตาว่าความจริงมีอยู่ และความจริงนั้นคนย่อมรู้ได้ทัศนะอย่างที่ท่านทั้งหลายย่อมทราบอยู่แล้วว่าขัดกับลัทธิของเราอย่างสิ้นเชิงเมื่อสุระเมทะไปเห็นด้วยกับทัศนะซึ่งขัดกับลัทธิของเราก็แสดงว่าเขาหมดความเชื่อความเลื่อมใสในลัทธิของเราเสียแล้วเขาขาดจากสังกัดของเราเสียแล้วฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเห็นว่าโทษที่เหมาะสมที่สุดสําหรับเขาก็คือ การขับไล่เขาออกไปจากลัทธิของเราที่ประชุมต่างนิ่งงันไปครู่หนึ่งต่อข้อเสนออย่างเด็ดขาดของสาวกคนนั้นและประหลาดใจ ย, ยิ่งขึ้นเมื่อสุรเมธะพูดขึ้นว่าข้าแต่ท่านอาจารย์และท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้าเห็นด้วยกับข้อเสนอข้อสุดท้ายอย่างเต็มที่เพราะข้าพเจ้าตั้งใจจะไปอยู่แล้วคําประกาศอย่างห้าวหาญของสุรเมธะ ทำให้ทุกคนในที่ประชุมหันไปมองเขาเป็นตาเดียวขณะที่ทุกคนกาลังตกตะึงอยู่นั่นเองท่านอาจารย์สัญชัยก็ได้ถามขึ้นว่าเธอจะไปไหนหรือสุรเมทะ mm hmm. ข้าพเจ้าจะไปอยู่กับพระเรวตะคำตอบอย่างตรงไปตรงมาของเขาทาให้ที่ประชุมตะลึงกันไปอีกครั้งหนึ่งสาวกผู้มีอายุมากๆบางคนทำท่าคล้ายกับจะเป็นลมในที่สุด เหตุการณ์เช่นนี้ก็เกิดขึ้นอีกอาจารย์สังชัยกล่าวด้วยเสียงสั่นเครือเมื่อ30ปีเสษมาแล้วเราก็ได้เสียอุปติสสะคือพระสาดีบุตรและโกริตตะคือพระโมคคัลลานะให้แก่พระสมณะโคดมไปเขาทั้งสองได้กลายไปเป็นสาวกเบื้องขวาและเบื้องซ้ายของพระสมณะองค์นั้นบัดนี้เรากำลังจะสูญเสียสุรเมธะให้แก่สาวก ของพระสมณโคดมเราจะถือว่าการสูญเสียครั้งนี้เป็นครั้งที่สามในชีวิตของเราอาจารย์สัญชัยหยุดนิ่งอยู่ครู่หนึ่งทล้ายกับกำลังกล่ำกลืนเอาความขมขืนลงไปในสรวงแล้วพูดขึ้นว่าเอาเถอะสุรเมธาเอ้ยหากเธอมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะไปเราก็ไม่มีอำนาจใดๆที่จะห้ามปลามเธอไว้ได้ขอให้เธอ จัดการกับชีวิตของเธอเองตามที่เธอจะเห็นสมควรเถิดข้าแต่ท่านอาจารย์สุรเมธะพูดขึ้นที่สํานักของอาจารย์ที่สาปาโมกแห่งเมืองตักกศิลาข้าพเจ้าก็ได้เรียนรู้ศาสตร์เครื่องเลี้ยงชีวิตที่สํานักของท่านอาจารย์ข้าพเจ้าก็ได้เรียนรู้ศาสตร์เครื่องเลี้ยงจิตใจแต่ข้าพเจ้ามีความรู้สึกอยู่เสมอว่าจิตใจของข้าพเจ้ายัางไม่อิ่มด้วยศาสตร์ของท่าน ต่อเมื่อได้ไปสนทนากับท่านเลวะตะข้าพเจ้าจึงได้ทราบว่ายังมีศาสตร์อื่นอีกที่จะช่วยหล่อเลี้ยงจิตใจได้ดีกว่านี้ข้าพเจ้าจึงขออําลาท่านเพื่อเดินทางไปหาอาหารใจแบบใหม่ให้แก่จิตใจอันหยุดกระหายของข้าพเจ้าศาสนาของพระสมณะโคดมอาจจะไม่ใช่แหล่งสุดท้ายสําหรับเป็นเรือนใจของข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้ายังไม่พอใจต่อพุทธธรรม ข้าพเจ้าอาจจะกอำลาเดินทางสแสวงหาเรือนใจอื่นๆต่อไปฉะนั้นข้าพเจ้าจึงของกราบลาท่านอาจารย์และท่านผู้เจริญทั้งหลายในที่สุดสุลเมีทะก็จากไปท่ามกลางความเสียดายและเสียใจของอาจารย์สัญชัยและสาวกทั้งปวงเราไม่ควรจะไปท้าทายพระเรวตะโตวาทีเลยอาจารย์สัญชัยปรารบกับสาวก แทนที่จะได้ประโยชน์เรากับศูนย์เสียประโยชน์ไปถึงสามอย่างคือชัยชนะสุรเมธะและเกียรติยศชื่อเสียงของหมู่คณะ ส่วนที่พระเวรุวันวิหารในเย็นวันต่อมาบรรดาอุบาสกอุบาสิกาต่างประหลาดใจที่ได้เห็นสุระเมธะกำลังนั่งสนทนาอยู่กับพระเรวตะเตระด้วยอัทยาศัยไมตรีและก็ได้ทราบว่าเขาได้มอบตัวเป็นสิทธิเพื่อศึกษาปฏิบัติในพุทธธรรมต่อไปท่านผู้เจริญสุระเมธะกล่าวหลังจากที่โตวาทีกับท่านในวันนั้นแล้วข้าพเจ้า ก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าพุทธธรรมคงจะมีอะไรๆที่น่ารู้น่าศึกษาอยู่อีกมากทีเดียวเพียงแต่ท่านยกเอาความจริงขึ้นมาเพียงสองสาอย่างคือสมุติสัจจะและประมัตถสัจจะก็ได้ให้แสงสว่างทางจิตใจแก่ข้าพเจ้ามากมายเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้จากสนักสัญชัยเวรัตบุตรมาเพื่อศึกษาหาความรู้จากท่านเพิ่มเติม ข้าพเจ้าอยากจะขอเรียนถามท่านว่านอกจากส ม, มุติสัจจานั้นแล้วยังมีอะไรที่ควรรู้ควรศึกษาอีกบ้างดูก่อนอุบาสกพระเถระกล่าวแม้ว่าสัจจะทั้งสองประการนั้นจะเป็นความจริงพระบรมศาสดาของเราก็ไม่ทรงสรรเสริญเพราะสัจจะสองประการนั้นไม่ทําให้ผู้รู้สิ้นทุกข์และเหตุของทุกข์คนธรรมดาทั่วทั่วไปย่อมจะรู้ส ม, มุติสัจจะ ดีเช่นรู้ว่าคนเป็นคนหรือว่าสัตว์เป็นสัตว์แต่ความรู้เพียงเท่านั้นหาได้ทําให้เขาดีขึ้นไม่กลับจะทําให้เขาหมกบุ้นหลงไหลติดอยู่กับสมุติบัญญัติของโลกแล้วก็ประสบทุกข์มีประการต่างๆบรรดาศาสด า, สดาเจ้าลัทธิทั้งหลายในโลกย่อมมีความรู้แตกฉานในความจริงอันสูงส่งที่อยู่เบื้องหลังสมุติสัจจานั้นตัวยอย่างเช่น ท่านปกุทหกัจยนะได้แยกคนและสัตว์ออกเป็นส่วนต่างๆเจ็ดส่วนคือดินน้ำลมไฟสุขทุกข์และวิญญาณเป็นต้นสแสดงว่าท่านได้ก้าวข้ามสมุตติสัจจะเข้าไปสู่ส่วนประกอบ ภ, ภายในอย่างละเอียดท่านรู้ปรมัติรสัจจะดีแต่ถึงกระนั้นก็หาได้พ้นทุกข์ไม่เพราะเหตุนี้พระบรมศาสดาของเราจึงไม่ทรงแนะนาสาวก ให้หมกมุ่นในสัจจะทั้งสองนี้แต่ทรงแนะนำพร่ำสอนให้สัจจะอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าอริยสัจท่านผู้เจริญสุลเมทะกล่าวขึ้นความจริงข้าพเจ้าเคยได้ยินได้ฟังมาเหมือนกันว่าถ้าบรมศา ส, าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนอริยสัจ แต่ข้าพเจ้าไม่ได้เอาใจใส่เพราะเข้าใจว่าพระอริยบุคคลเท่านั้นจึงจะรู้อริยสัจเพราะอริยสัจแปลว่าความจริงของพระอริยเจ้าคนธรรมดาสามัญอย่างข้าพเจ้าคงไม่มีโอกาสได้รู้อริยสัจแน่เมื่อเข้าใจอย่างนี้ก็เลยไม่สนใจจะศึกษาอุบาสกถ้าอย่างนั้นท่านก็เข้าใจผิดคนอื่นๆที่เข้าใจอย่างท่านก็เข้าใจผิดเหมือนกัน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 ก็อาจจะเป็นเศรษฐีได้ถ้าขยันหาทรัพย์จนมีทรัพย์มากๆเช่นเดียวกันนั้นแหลใครๆก็อาจจะเป็นพระอริยเจ้าได้ถ้าศึกษาและปฏิบัติอริยสัจจนสามารถดับเหตุของทุกข์ได้มากได้น้อยตามควรแก่การปฏิบัติสุเมธทะนั่งก้มหน้าคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าก็เพิ่งจะเข้าใจแจ่มแจ้งณบัตรนี้เองว่าใครๆ ก็อาจจะเป็นพระอเดียะเจ้าได้ถ้าศึกษาปฏิบัติอริยสัจจนดับทุกได้แต่ข้าพเจ้ามีความสงสัยอีกต่อไปว่าอริยสัจนี้เป็นหลักคำสอนชั้นสูงมีอัตตะอันสุขุมลึกซึ้งเข้าใจยากเหมาะสำหรับคนชั้นสูงผู้มีสติปัญญาและมีบุญบารมีมากๆเท่านั้นอย่างนี้จริงหรือไม่ไม่จริงเลยอุบาสกอริยสัจไม่ใช่ธรรมะชั้นสูง สำหรับคนชั้นสูงเท่านั้นแต่เป็นความจริงที่ทุกคนไม่ว่าสูงหรือต่ำก็อาจจะศึกษาและปฏิบัติได้ในชมพูทวีปนี้มีพุทธบริษัททั้งสี่เหล่าเป็นจํานวนแสนเป็นจํานวนล้านและในจํานวนนี้ก็มีพระอริยเจ้าเป็นจํานวนหมืน่นพระอริยบุคคลเหล่านี้มีทั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาประกอบไปด้วยชนทุกชาติ ชันและวันนะพระอริยบุคคลบางท่านเคยเป็นโจรต้นฆ่าชาวบ้านมาก่อนก็มีบางท่านเคยเป็นคนบ้าใบ้เสียจริตมาก่อนบางคนเคยเป็นคนงูเง่าท่องคาถาเพียงสี่บทตลอดเวลาสามเดือนก็ยังไม่ได้บางท่านก็เคยเป็นชาวนายากจนเข็นใจบางท่านก็เคยเป็นเศรษฐีบางท่านก็เคยเป็นาศาสดาเจ้าลัทธิต่างๆเพราะฉะนั้น ท่านจะเห็นได้ว่าคนที่รู้อริยสัจจนกลายเป็นพระอริยเจ้านั้นประกอบไปด้วยคนทุกชั้นทั้งชั้นสูงชั้นต่ำทั้งคนรวยและคนจนทั้งคนงู้ทั้งคนฉลาดถ้าอริยสัจเป็นธรรมะชั้นสูงเหมาะสําหรับคนชั้นสูงจริตงตามที่คนเข้าใจกันพระอริยบุคคลก็น่าจะมีแต่คนชั้นสูงเท่านั้นแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะฉะนั้น ขอให้ท่านเข้าใจเสียใหม่สุราเมีทะนั่งก้มหน้าคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ถามขึ้นว่าก็แล้วที่มีคนกล่าวว่าอริยสัจเป็นธรรมะอันลึกซึ้งรู้ได้ยากศึกษาได้ยากเล่าท่านผู้เจริญเป็นความจริงเพียงใดข้อนี้ก็ไม่จริงอีกพระเถระตอบความจริงอริยสัจเป็นธรรมะที่ทุกคนอาจจะศึกษาได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเลยไม่ต้องเดินทางไปไหนไม่ต้องมีเครื่องมือใดๆประกอบนอกจากใช้ปัญญาธรรมดาธรรมดานี่เองเพราะเหตุไรก็เพราะว่าอริยสัตว์อยู่ที่ตัวเราทุกคนแล้วความทุกข์ก็เต็มแน่นอยู่ในตัวเราสมุทยัยเหตุให้ทุกเกิดก็เต็มแน่นอยู่ที่ตัวเรานิโรธและมรรก็ต้องทําให้เกิดขึ้นที่ตัวเราด้วยตัวของเราเอง ก็เมื่ออริยสัจอยู่ที่ตัวเราแล้วเช่นนี้เราจะศึกษาอริยสัจได้ตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนทั้งในที่แจ้งและที่รับทั้งในขณะยืนเดินนั่งหรือนอนทั้งผู้เจริญเข้าไปเจ้าเพิ่งจะทราบวันนี้เองว่าอริยสัจเป็นธรรมดาที่ใครๆก็อาจจะศึกษาได้ทุกเมื่อเข้าพเจ้าจมอยู่ในปรักแห่งความเข้าใจผิดมานานจึงได้เมินเฉยต่ออริยสัจ เมื่อข้าพเจ้าอยู่ในสำนักของท่านสันชัยท่านก็แนะนำพร่ำสอนแต่เพียงว่าไม่มีความจริงใดที่คนจะรู้ได้สิ่งที่คนรู้ได้ไม่ใช่ความจริงบัดนี้ข้าพเจ้าเห็นแล้วว่าคำตอบเช่นนั้นมองข้ามความสำคัญของส ม, มุติสัจจะไปแต่ก็ไม่สนใจในปรมัตถสัจจะหรือสัจจะใดๆเลยในที่สุดก็ไม่รู้สัจจะอะไรทั้งสิน้นเพราะเข้าใจว่า สัจจะเป็นสิ่งที่รู้ไม่ได้เป็นการพลากตนเสียจากประโยชน์ที่พึงจะได้จากการรู้สัจจะทำไมหนาข้าพเจ้าจึงได้ไปหลงไหลอยู่กับลัทธิเช่นนั้นเป็นเวลานานอย่าเสียใจไปเลยอุบาสกพระเถระปลอบอดีตที่ผ่านไปแล้วก็เป็นอันผ่านไปแล้วแม้จะดีใจหรือเสียใจเพียงใดก็ไม่สามารถจะนามาลื้อฟื้นทาใหม่ได้ อย่าได้นำมาเป็นอารมณ์เลยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการเริ่มต้นใหม่ในบัดนี้เวลายังไม่สายเกินไปท่านยังอยู่ในวัยหนุ่มแน่นยังมีเวลาสําหรับการศึกษาและการปฏิบัติอีกมากท่านพูดจเจริญสุรเมธะกล่าวท่านพูดถูกทีเดียวข้าพเจ้าจะลงมือศึกษาและปฏิบัติอริยสัจ ต, ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแต่เมื่อหวนคำหนึ่งคิดถึงคําพูดของท่าน ที่ว่าอริยสัจเป็นสิ่งที่รู้ได้ไม่ยากนักแล้วก็คิดเปรียบเทียบกับจํานวนพระอริยเจ้าแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจะสมกันคือถ้าอริยสัจ ร, รู้ได้ง่ายทําไมคนจึงไม่รู้อริยสัจเป็นพระอริยบุคคลกันหมดเล่าคําถามของสุรเมธะทําให้พระเทระรู้ทันทีว่าเขาเป็นคนฉลาดช่างคิดช่างถามในสิ่งที่ควรคิดควรถามอย่างแท้จริงสมกับ ได้รับการยกย่องให้เป็นสาวกคนสําคัญของท่านสังชัยเวรัตบุตรดูก่อนอุบาสกพระเถระกล่าวเหตุที่คนไม่ค่อยจะรู้อริยสัจนั้นไม่ใช่เพราะอริยสัจเป็นธรรมะที่รู้ได้ยากแต่เป็นเพราะคนส่วนมากไม่สนใจศึกษาเหตุที่ไม่สนใจศึกษาก็เพราะอริยสัจขึ้นต้นด้วยทุกข์คนส่วนมากเบียดกลัวความทุกข์เป็นทุนอยู่แล้ว ไม่อยากประสบทุกข์บางคนแม้เห็นคำว่าทุกข์ก็ไม่อยากได้ยินพอได้ยินคำว่าเกิดแก่เจ็บตายก็เกิดความไม่สบายใจเสียแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่มีใครอยากจะศึกษา ในเรื่องทุกข์ไม่กล้าเผชิญหน้ากับทุกข์พยายามหลบดิบทุกข์ไม่ยอมรับว่าตนมีความทุกข์ก็เมื่อเป็นเช่นนี้เลยไม่รู้อริยสัจและไม่มีทางพ้นทุกข์เปรียบเสมือนคนป่วยที่ไม่ยอมรับว่าตนป่วยย่อมไม่มีทางที่จะหายจากโรคสุลมาะนั่งก้มหน้าพงกศรีรษะขึ้นลงเป็นเชิงเห็นด้วยแล้วก็พูดขึ้นว่าท่านผู้เจริญคำอธิบายของท่าน ถูกต้องตามความเป็นจริงมากทีเดียวข้าพเจ้าเองก็เกลียดทุกข์และพยายามหลบหลีกความทุกข์เหมือนกันแต่ยิ่งพยายามหลบพยายามหลีกก็ดูเหมือนจะยิ่งทุกข์มากขึ้นไม่มีใครหลบหลีกทุกข์ได้เพราะทุกข์ไม่ใช่สิ่งภายนอกที่จะหลบหลีกได้อย่างคนสัตว์หรือสิ่งของแต่เป็นสิ่งที่ติดอยู่กับตัวเราทุกคนเปรียบเสมือนสุนัขตัวหนึ่งมีบาดแผลขนาดใหญ่ที่ศรีรษะ มีนอนเจาะใจอยู่ตลอดเวลาทําให้มันได้รับทุกเวทนาแสนสาหัสมันได้วิ่งหลบหนีความเจ็บปวดนั้นเข้าไปอยู่ใต้ต้นไม้ด้วยหวังจะให้ได้รับความสุขสบายเมื่อเห็นว่ายังเจ็บปวดอยู่อย่างเดิมมันก็ได้วิ่งเข้าไปหลบอยู่ที่ใต้ชายคาใต้ชายคาก็ช่วยอะไรไม่ได้มันได้วิ่งเข้าไปหลบอยู่ที่ใต้โพรงไม้ตามซอกหินตามลอมฟางเป็นต้น แต่ก็หาได้พ้นจากความเจ็บปวดไม่มันวิ่งซอกซอนไปตามที่ต่างๆอยู่เช่นนั้นจนตายลงในที่สุดคนที่พยายามจะหลบหีความทุกข์ทั้งๆ ท, ที่มีทุกข์อยู่เต็มตัวก็ไม่มีทางจะพ้นทุกข์ได้ในที่สุดก็ตายเปล่าเช่นเดียวกับสุนัขตัวนั้นฉะนั้นทางที่ถูกไม่ควรหลบหลีกทุกข์ควรจะเผชิญหน้ากับทุกข์อย่างกล้าหาญศึกษาทุกข์อย่างละเอียด จรู้แจ้งทุกพร้อมทั้งสมุดฐานของมันแล้วก็หาทางดับตัวสมุดฐานนั้นเสียโดยวิธีถูกต้องในที่สุดทุกก็จะดับไปเองถ้าอย่างนั้นในการเริ่มศึกษาอธิยศัสตร์สข้าพเจ้าควรจะเริ่มต้นศึกษาทุกก่อนใช่หรือไม่ท่านผู้เจริญสุลมธะถามถูกแล้วอุบาสกพระเถระตอบควรจะเริ่มต้นด้วยทุ ก, ก่อน เพราะเหตุใดจึงเริ่มต้นด้วยทุกข์ก่อนก็เพราะว่าทุกเป็นของจริงที่เห็นได้ง่ายเพราะเป็นสิ่งที่มีอยู่ประจำชีวิตตลอดเวลาแม้ขณะที่เรากำลังนั่งสนทนากันอยู่นี้เราก็กำลังถูกความทุกข์เบียดเบียนเช่นท่านเองกำลังรู้สึกร้อนรู้สึกหิวกระหายรู้สึกปวดอุจจาระหรือปัสสาวะรู้สึกปวดเมื่อยตามแขนขาตามหลังความเจ็บปวดไม่สบายเหล่านี้ จัดเป็นทุกทั้งสิ้นท่านต้องหมั่นพิจารณาให้ทุกเหล่านี้และทุกอื่นอื่นอีกจนรู้สึกว่าตัวท่านประกอบไปด้วยร่างกายและจิตใจนี้คือก้อนหินแห่งความทุกข์ชีวิตคือกระบวนการแก่ทุกข์อันยาวนานตั้งแต่เกิดจนตายเมื่อท่านเห็นทุกอย่างแจ่มแจ้งเช่นนี้แล้วท่านก็จะเกิดความสลดสังเวชใจเบื่อหน่ายต่อทุกข์นั่นคือประตูแรกที่จะเปิดไปสู่อริยสัจยะ ข้ออื่นๆต่อไปสุราเมีทะนั่งตึกตองอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดขึ้นว่าท่านผู้ประเสริฐเท่าที่ข้าพเจ้าได้ฟังท่านมารู้สึกว่าชีวิตนี้ทั้งสิ้นเป็นประมวลแห่งความทุกข์ไม่มีช่องไว้สําหรับความสุขเลยแต่ความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่ทั่วไปข้าพเจ้าก็ยังเห็นบางคนมีความสุขสนุกสนานดีอยู่แสดงว่าเขามีความสุขอยู่บ้างฉะนั้น ชีวิตก็น่าจะมีความสุขอยู่บ้างใช่หรือไม่โปรดอธิบายให้ข้าพเจ้าหายสงสัยด้วยดูก่อนอุบาสกถ้ากล่าวโดยส ม, มุติีสัจจะแล้วความสุขก็ย่อมมีอยู่ในโลกเรียกว่าโลกีสุขแต่เป็นความสุขชั่วคราวสุขที่เจือด้วยทุกข์แต่ถ้ากล่าวโดยปรมาทิตยสัจจะแล้วความสุขก็ไม่มีสิ่งที่ชาวโลกเข้าใจกันว่าเป็นความสุขนั้น เมื่อพิจารณาดูอย่างละเอียดที่ท้วนแล้วหาใช่ความสุขแท้ไม่เป็นแต่เพียงความสะดวกความสบายความสนุกเท่านั้นตัวอย่างเช่นบุษฐีผู้มีทรัพย์มากอยู่ในปราสาทอันวิจิตรไปไหนมาไหนด้วยรถอันงามวิจิตรเทียมด้วยมา้าไม่ต้องทำงานหนักเพราะมีข้าทาสปริวารทำแทนทุกอย่างจะไปไหนจะทำอะไรจะบริโภคอะไรก็มีความสะดวกสบายทุกอย่าง ไม่ติดขัดขัดข้องคนทั่วไปเห็นว่าบุตรเศรษฐีคนนั้นมีความสุขแต่ความจริงเขามีเพียงความสะดวกเท่านั้นหาใช่ความสุขเพราะอาศัยทรัพย์ของตนนั่นเองบุตรเศรษฐีคนนั้นไม่มีความลำบากกายเพราะไม่ต้องทํางานหนักเพราะได้บริโภคอิ่มหนำตำลาญไม่มีความลำบากใจเพราะต้องการสิ่งใดก็ซื้อหาเอาได้ด้วยทรัพย์คนทั่วไปกล่าวกันว่า เขาจึงมีความสุขจริงแต่นั่นเป็นเพียงความสบายหาใช่ความสุขแท้ไม่บุตรเศรษฐีคนนั้นใช้ทรัพย์ไปในทางดูมารสนบดูการฟ้อนรำดูการละเล่นต่างๆฟังดนตรีและเพลงอันไพเระคนทั่วไปยกย่องว่าเขามีความสุขแต่นั่นเป็นเพียงความสนุกเท่านั้นหาใช่ความสุขที่แท้ไม่ดูก่อนอุบาสกเพราะคนส่วนมากเข้าใจกันว่า ความสะดวกความสบายความสนุกสมอย่างนี้เป็นความสุขจึงวิ่นเต้นสแสวงหาทรัพย์เพื่อนําเอาไปแลกความสะดวกสบายและสนุกนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้สามารถแลกเอาได้ด้วยทรัพย์แต่ความสุขที่แท้จริงนั้นหาได้แลกเอาด้วยทรัพย์ได้ไม่ดูก่อนอุบาสกอีกประการหนึ่งความสุขทางโลกนั้นเป็นเพียงความรู้สึกสบายชั่วคราวในเมื่อความทุกข์ ได้รับการบรรเทาให้เบาบางลงเท่านั้นเปรียบเสมือนบุรุษมีฝีหัวใหญ่อยู่ที่แขนได้รับความเจ็บปวดแสนสาหัสเขาจึงให้หมอประกอบยาพอกพอเขาเอายาพอกความเจ็บปวดก็บรรเทาลงเขาจึงอุทานว่าสุขจริงหนาสุขจริงหนาแต่ในไม่ช้ายาหมดอำนาจแล้วความเจ็บปวดก็กลับคืนมาเขาก็ได้เสวยความทุกขเวทนาตามเดิม เพราะต้นเหตุที่แท้จริงของความเจ็บปวดคือหัวฝียังอยู่เขาจะมีความสบายเต็มที่ก็ต่อเมื่อเขาบีบเอาหัวฝีออกและรักษาแผลฝีให้หายสนิทแล้วเท่านั้นอุบาสกเอ้ยทุกเป็นพื้นฐานของชีวิตซึ่งมีอยู่ตลอดเวลาความสุขที่ชาวโลกเข้าใจว่าเป็นความสุขนั้นเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อความทุกข์ลดลงเท่านั้น เปรียบเสมือนความหิวซึ่งเป็นพื้นฐานของชีวิตเมื่อถูกความหิวบีบคั้นและไม่มีอาหารบริโภคทุกคนย่อมจะเห็นได้ทันทีว่าเป็นความทุกข์ถ้าได้บริโภคอาหารจนอิ่มหนำสำราญแล้วความหิวก็จะหายไปชั่วคราวตอนนี้เองที่คนรู้สึกว่าตนเป็นสุขแต่ในไม่ช้าความหิวก็จะกลับคืนมารบกวนอีกต้องบริโภคอาหารแก้กันอีก มนุษย์บริโภคอาหารวันละสามครั้งและบริโภคตั้งแต่เกิดจนตายก็แก้ความหิวไม่ได้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นความหิวจึงเป็นพื้นฐานของชีวิตนี้เป็นแต่เพียงทุกขย่อยๆคือความหิวเท่านั้นยังมีทุกข์อื่นๆอีกนับสิบสิบประเภทที่มนุษย์จะต้องแก้ไขฉะนั้นถ้าพูดโดยปรัมภศาสตรจัแล้วชีวิตก็คือกระบวนการแก้ทุกขอันยาวนานแก้ทุกขอย่างนี้ หายไปทุกอย่างนั้นก็เกิดขึ้นทุกอย่างนั้นหายไปทุกอย่างโน้นก็เกิดขึ้นถ้ามนุษย์ยังไม่เห็นทุกข์ก็เพราะความเขาและเพราะความเคยชินเท่านั้นหาได้ไหมายความว่าทุกข์ไม่มีไม่ทุกข์มีอยู่แต่คนไม่เห็นหรือไม่รู้สึกเท่านั้นท่านพูดเจริญสุธรรมเะพูดถอนหาใจอย่างหนักหน่วงเพียงแค่ได้ฟังท่านบรรยายเรื่องทุกข์เท่านั้นข้าพเจ้าก็รู้สึกเป็นทุกข์ ไม่สบายใจเสียแล้วพระเถระหัวเราะเบาๆแล้พูดว่าสุระเมธะอย่างที่ข้าพเจ้าเคยกล่าวแล้วคนเราไม่ชอบความทุกข์ไม่อยากได้ยินคําว่าทุกข์เมื่อได้ยินได้ฟังเรื่องทุกข์จึงเป็นเรื่องที่ไม่สบายใจเป็นธรรมดาคนส่วนมากเมื่อได้ยินเรื่องทุกข์ก็ไม่สบายใจเหมือนกันแต่บางคนพอไม่สบายใจแล้วก็เลิกพูด เลิกฟังเลิกศึกษาเรื่องทุกเสียไม่กล้าก้าวเดินต่อไปตามทางแห่งอริยสัจจะกลับคืนไปสู่โลกแห่งความเครียต่อไปจึงไม่มีวันพ้นทุกข์การที่ท่านเกิดความไม่สบายใจเมื่อได้ฟังเรื่องทุกนี้แสดงว่าท่านกำลังยืนอยู่ที่ธรณีประตูแห่งอริยสัจจะแล้วจงก้าวเดินทางต่อไปเถอะ ท่านพูดจเจริญสุราเมธะกล่าวขึ้นข้าพเจ้าจะต้องทำอย่างไรจึงจะชื่อว่าก้าวเดินไปตามทางแห่งอริยสัจดูก่อนสุราเมธะเมื่อท่านเห็นทุกข์ยอมรับว่าชีวิตคือความทุกข์แล้วก็เท่ากับคนป่วยเห็นทุกขเวทนาของตน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 การค้นหาสาเหตุของทุกข์ว่าทุกข์เกิดมาจากอะไรอะไรเป็นต้นเหตุอันแท้จริงของความทุกข์เหมือนคนป่วยค้นหาสมุดฐานอันแท้จริงของความเจ็บป่วยอะไรเล่าคือต้นเหตุแห่งทุกข์ท่านพูดเจริญสุรเมทะถามสอดขึ้นก่อนจะตอบปัญหานี้อาตมาใคร่จะขอย้อนถามท่านเสียก่อนท่านยอมรับแล้วไม่ใช่หรือว่าชีวิตคือข้อทุกข์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 ตอบคำถามอัชญชันฉลาดของสุลเมทะชีวิตร่างกายนี้ถ้าจะปริบก็เหมือนกับต้นไม้เนื้อระดับแผ่นดินขึ้นมาถ้าเราไม่ชอบใจจะตัดมันทิ้งเสียก็อาจจะกระทําได้แต่การกระทําเช่นนั้นหาใช่เป็นการทําลายต้นไม้ที่ได้ผลดีไหมเพราะตาบใดที่ต่อและรากของมันยังอยู่ในไม่ช้ามันก็จะงอกขึ้นมาอีกกลายเป็นต้นไม้ใหม่อีก ถ้าเราจะทำลายต้นไม้นั้นให้สิ้นรากไม่ให้งอกขึ้นมาอีกได้ควรจะทำอย่างไรสุลเมทะนั่งนิ่งนึกอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ตอบว่าก็เห็นจะต้องทำลายรากและตอของมันด้วยถูกแล้วอุบาสกพระเถระตอบรับรองการทำลายทุกข์ก็เหมือนกันนั่นแหละชีวิตร่างกายนี้ก็เปรียบเหมือนลําต้นและกิ่งใบของทุกข์ถ้าเราเด็ดกลัวทุกข์ และทำลายชีวิตนีเสียก็เท่ากับตัดต้นไม้ที่ยังเหลือต่อและรากในไม่ช้ามันก็จะงอกงามขึ้นมาอีกถ้าจะทำลายทุกข์ให้สิ้นซากต้องทำลายรากของความทุกข์ด้วยก็อะไรคือรากเงาของทุกข์เล่าท่านผู้เจริญรากเงาของความทุกข์ก็คือตัณหาหรือความอยากถ้าเราต้องการจะทำลายทุกข์ให้หมดสิ้นไปตลอดกาลก็ต้องทำลายที่รากของความทุกข์ คือตัณหานี้ถ้าเราทำลายทุกได้แล้วลาต้นกิ่งใบของทุกก็คือชีวิตร่างกายนี้ไม่จาเป็นจะต้องทำลายเพราะในไม่ช้ามันก็จะเหี่ยวเฉาตายไปเองตามการเวลาของมันสุลเมทะนั่งนิ่งคิดอยู่เป็นเวลานานทีเดียวเพราะเขายังไม่เข้าใจคำอธิบายของพระเถระเขายังมองไม่เห็นว่าลาพังความอยาก จะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้อย่างไรพัทเถร ะ, ระดูเหมือนจะยังทราบความรู้สึกนึกคิดของเขาด้วยปฏิพานอันไวจึงกล่าวต่อไปว่าดูก่อนอุบาสกท่านอาจจะยังไม่เข้าใจว่าความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้อย่างไรข้าพเจ้าจะอธิบายเพิ่มเติมให้ท่านฟังถ้าท่านเกิดความสงสัยในระหว่างก็ขอให้ถามขึ้นได้ตามสบายดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวแล้วว่าชีวิตนี้ เป็นส่วนผลซึ่งเกิดมาจากเหตุคือตัณหาตัณหาเป็นตัวเหตุคอยบังคับชีวิตให้เต้นไปตามจังหวะแห่งทุกข์ชีวิตเป็นเพียงหุ่นให้ตัณหาเชิดตราบใดที่ยังมีตัณหาตราบนั้นชีวิตก็เป็นทุกข์เมื่อใดหมดสิ้นตัณหาเมื่อนั้นชีวิตก็เป็นเพียงสภาวะธรรมซึ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยทั่วคลาวและแตกสลายไปไม่ใช่ทุกข์ฉะนั้นชีวิตจะสุขหรือทุกข์ จึงขึ้นอยู่กับตัณหาพระอริยเจ้าหรือปุถุชนต่างก็มีชีวิตเหมือนกันแต่ชีวิตของพระอริยบุคคลไม่มีทุกข์เพราะตัณหาของท่านหมดสิ้นแล้วชีวิตของปุถุชนมีทุกข์เพราะยังไม่สิ้นตัณหาดูก่อนสุลเมีทะตัณหาคืออะไรตัณหาก็คือความอยากความต้องการความหวังพระบรมศาสตรของเรา ทรงจำแนกตัณหาไว้สามประการคือกามตัณหาความอยากในกามคือสิ่งที่น่าใคร่น่าชอบใจเช่นอยากในรูปเสียงกลิ่นรสพุพธะธรรมารมณ์เป็นต้นภวะตัณหาความอยากในภพก็คืออยากเกิดอีกในทั้งสามภพภพใดภพหนึ่งรวมทั้งความอยากในภพที่ตนได้แล้ว มีอยู่คงอยู่ตลอดไปด้วยวิภาวะพความอยากในวิภพคือความดับศูนย์ความว่างเปล่าความไม่มีรวมทั้งอยากในอารมณ์ที่ไม่น่าใคร่น่าชอบใจดับศูนย์ไปดูก่อนอุบาสกถ้าจะพูดให้ง่ายๆด้วยภาษาธรรมดากามตันหาก็คืออยากให้มาภวะตันหาก็คืออยากให้อยู่วิภวะตันหาก็คือ อยากให้ไปท่านผููเจริญสุรเมธะถามขึ้นที่ว่าอยากให้มานั้นคืออะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างไรดูก่อนสุรเมธะที่ว่าอยากให้มานั้นหมายความว่าเมื่อบุรุษต้องการสิ่งใดก็อยากให้สิ่งนั้นมาสู่ตนอยากให้เงินหมื่นกหาปณ ะ, ะมาสู่ตนอยากให้แม่โคนมร้อยตัวมาสู่ตนอยากให้ปราสาทสูงสองชั้น มาสู่ตนอยากให้ทิดาเศรษฐีผู้งามพร้อมด้วยรูปสมบัติและคุณสมบัติมาสู่ตนอยากให้สการะมาสู่ตนเป็นอาทิถ้าจะบรรยายสิ่งที่มนุษย์อยากให้มาสู่ตนแล้วย่อมจะไม่มีที่สิ้นสุดได้ท่านพูดเจริญสุรเมธะพูดขึ้นความอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรต่างๆนี้ย่อมเป็นของธรรมดาสาหรับคนทั่วไปมิใช่หรือ ข้าพเจ้ายังมองไม่เห็นว่าความอยากในสิ่งต่างๆนั้นจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้อย่างไรดูก่อนอุบาสกก่อนจะตอบคําถามของท่านข้าพเจ้าอยากจะขอถามท่านก่อนว่าท่านเคยประสบกับความหิวอาหารมากๆหรือความกระหายน้ํามากๆหรือไม่เคยสิท่านผู้เจริญสุรเมทะตอบรับรองในขณะที่กําลังหิวและกระหายนั้นท่านรู้สึกสบายกาย สบายใจเป็นสุขหรือว่ารู้สึกกระวนกระวายใจเป็นทุกข์ข้าพเจ้าก็รู้สึกกระวนกระวายใจเป็นทุกข์สิท่านภูเจริญอุบาสกเอ๋ยเมื่อท่านหิวกระหายทางกายท่านรู้สึกกระวนกระวายเป็นทุกข์ฉันใดเมื่อใจของท่านหิวกระหายเพราะอำนาจความอยากท่านก็จะต้องกระวนกระวายใจเป็นทุกข์ฉันนั้นเพราะตัณหาคือความหิวกระหายทางใจนั่นเอง ความหิวกระหายทางกายยังดีกว่าความหิวกระหายทางใจเพราะเมื่อท่านหิวกายก็บริโภคอาหารเสียความหิวก็หายไปท่านก็รู้สึกเป็นสุขสบายแต่หิวใจเป็นความหิวกระหายอย่างรุนแรงหิวกระหายอยากได้หลายสิ่งหลายอย่างเมื่อบุคคลหิวกระหายทางใจอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้นับจํานวนไม่ถ้วนเช่นนี้ขอให้ท่านคิดดูเถิดว่า ใจิตใจโกรนกระวายเป็นทุกข์มากเพียงใดท่านผู้เจริญเข้าไเจ้าเห็นด้วยกับท่านว่าจิตใจที่หิวกระหายเพราะตัณหาเป็นจิตใจที่เต็มไปด้วยความทุกข์แต่ในเมื่อบุคคลได้สิ่งที่ตนปรารถนามาสนองความอยากแล้วความอยากก็หายไปบุคคลนั้นก็รู้สึกว่าเป็นสุขสบายใจมิใช่หรือดูก่อนอุบาสกถ้าหากบุคคลปรารถนาสิ่งใดเมื่อใด สามารถได้สิ่งนั้นเมื่อนั้นได้สมปรารถนาเขาก็อาจจะมีความสุขอยู่บ้างแต่ตามสภาพความเป็นจริงนั้นการที่จะได้สมปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะพึงเป็นได้ง่ายๆเลยยกตัวอย่างเช่นเมื่อท่านต้องการเป็นเศรษฐีมีเงินแปดสิบกอดก็ใช่ว่าท่านจะนิ่งหลับตาคิดปรารถนาอยู่ครู่หนึ่งแล้วซับแปดสิบกอดก็ลอยมากองอยู่ตรงหน้าของท่าน ท่านจะต้องประกอบการงานด้วยความอุตสาหะวิริยะเหน็ดเหนื่อยลาบากเก็บหอมรอมริษอย่างยิ่งยวดเป็นเวลานับสิบสบปีจึงจะสามารถหาทรัพย์จำนวนนั้นได้สมมุติว่าท่านต้องการความรู้ไม่ใช่ว่าท่านนั่งหลับตาคิดเอาอยู่ครู่เดียวและท่านก็มีความรู้แตกฉ า, านในศิธปาศาสตร์18ประการท่านจะต้องเดินทางไปยังเมืองตังกศิลามอบตนเป็นสิทธ ของอาจารย์ทิสาปาโมกตั้งใจท่องบ่นสาธยายบทเรียนด้วยความอุตสาหะปฏิบัติบำ ร, รุงอาจารย์ด้วยความเอาใจใส่เป็นเวลาหลายปีจึงจะได้ความรู้เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าไม่มีใครในโลกนี้จะได้สิ่งที่ตนอยากได้ตามเวลาที่ตนอยากได้ไม่ว่าจะมีทรัพย์มากมีอำนาจมากมีความรู้มากมีบริวารมากเพียงใดก็ตาม ทุกคนจะต้องลงทุนลงแรงจะต้องรอคอยด้วยความกระวนกระวายใจทั้งนั้นแม้กระนั้นก็หาได้สิ่งที่ตนปรารถนาเสมอไปไม่สิ่งที่ตนอยากให้มากลับไม่มาสิ่งที่ตนไม่อยากให้มากลับมาฉะนั้นทุกคนที่ยังมีความอยากก็เชื่อแน่ได้ว่าจะต้องผิดหวังประสบกับความทุกข์สุลเมทะ บให้ใจอย่างนักนวงคล้ายกับกำลังตกอยู่ในห่วงทุกข์แล้วก็พูดขึ้นว่าท่านพูดถูกต้องทีเดียวท่านพูดจเจริญแต่ข้าพเจ้าก็อยากจะขอสักถามต่อไปสมมุติว่ามีคนคนหนึ่งมีฤทธานุภาพปรารถนาสิ่งใดก็สามารถเนรมิตเอาได้ทันทีด้วยอิทธิฤทธิท่านจะเชื่อหรือไม่ว่าเขามีความสุขพระเถระยิ้มอย่างผู้เจรจัดตอปัญหาชีวิต แล้วก็พูดว่าดูก่อนอุบาสก ข, ข้าพระเจ้าจะเล่านิทานเรื่องหนึ่งให้ท่านฟังขอให้ท่านฟังให้ดีแล้วก็คิดหาคำตอบด้วยตนเองว่าคนที่สามารถได้ทุกสิ่งที่ตนปรารถนาจะมีความสุขหรือไม่ นานมาแล้วมีในพานคนหนึ่งได้ก่อไฟกองหนึ่งขึ้นในป่าเพื่อจะปิ้งเนื้อที่ล่ามาได้กินเป็นอาหารขณะที่ไฟกําลังติดฟืนลุกโฉดช่วงอยู่นั้นเขาไม่สามารถจะนำเนื้อขึ้นปิ้งได้เพราะกลัวเนื้อจะถูกเปลวไฟลามเลียไหม้เสียหมดเขาจึงเอาฟืนใส่เข้าไปในไฟอีกขณะที่เขาเอาฟืนใหม่ใส่เข้าไปในกองไฟนั้น ปรากฏว่าเปลวไฟได้สงบลงเขาดีใจรีบเอาเนื้อขึ้นปิ้งแต่ในไม่ช้าเมื่อฟืนรุ่นใหม่ติดไฟได้ที่แล้วเปลวไฟก็ลุกพลงสูงขึ้นกว่าเดิมเขาต้องรีบเอาเนื้อปิ้งออกแล้วก็รีบไปเอาฟืนรุ่นใหม่มาใส่กองไฟผลปรากฏว่าไฟได้สงบลงแต่ในไม่ช้าก็ลุกโฉดช่วงขึ้นอีกเขาก็ต้องรีบ เอาฟืนมาใส่เข้าไปอีกโดยทรรมนองนี้ไฟก็ยังกลายเป็นกองใหญ่ลุกโชนช่วงยิ่งขึ้นทําให้เขาต้องหาฟืนมาใส่ใหม่มากขึ้นอีกยิ่งใส่ฟืนมากเปลวไฟก็ยิ่งลุกโผลงขึ้นสูงข้าพเจ้าอยากจะถามท่านว่าในพรานคนนั้นจะสามารถเอาชนะเปลวไฟนั้นโดยวิธีนั้นได้หรือไม่ไม่ได้เลยท่านผู้เจริญสุรเมธะตอบ ดูก่อนอุบาสกไฟภายนอกบุคคลไม่สามารถเอาชนะได้ด้วยการใส่ฟืนฉั้นใดไฟพบในคือตัณหาบุคคลก็ไม่สามารถเอาชนะได้ด้วยการหาสิ่งต่างๆมาสนองฉันนั้นตัณหาหรือความอยากของมนุษย์ก็เหมือนไฟนั่นแหละยิ่งได้มากก็ยิ่งต้องการมากขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดเปรียบเสมือนไฟไม่รู้จักอิ่มด้วยเชื้อ เหมือนสมุทรสาครไม่รู้จันอิ่มด้วยน้ำฉันนั้นแม่บุคคลจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาปรารถนาเขาก็หามีความสุขไหมเพราะเขาจะมีความปรารถนายิ่งยิ่งขึ้นไปไม่มีวันสิ้นสุดเมื่อเห็นสุระเมธะ ยังคงนั่งตึกตองอยู่ด้วยอาการสงบพระเถระจึงกล่าวต่อไปว่าดูก่อนสุระเมทะตัณหาทำให้คนไม่มีความพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่เมื่อไม่มีความพอใจก็ไม่มีความสงบสุขคนขอทานนั่งอยู่ที่ทางสี่แพร่งมีเสื้อผ้าขาดกระลุ่งกระลิ่งมีกลาใบาเดียวเป็นทรัพย์สมบัติเขาขอทานไปคิดฝันไปว่า ถ้าเรามีวัวสักคู่หนึ่งมีนาสักหนึ่งแปลงคงจะมีความสุขมากต่อมาเขารวบรวมเงินได้จากการขอทานนําไปซื้อนาหนึ่งแปลงวัวหนึ่งคู่ได้สมปรารถนาแล้วเขาก็คิดฝันต่อไปว่าถ้าเรามีนามากกว่านี้เป็นสามเท่ามีวัวสักร้อยตัวคงจะมีความสุขมากต่อมาภายหลังด้วยความอุตสาหพยายามเขาก็สามารถมีนาเพิ่มขึ้น เป็นสามเท่ามีบัวถึงร้อยตัวมีกรรมกรช่วยทำนาถึงห้าคนขณะที่เดินสำรวจดูนาเขาก็ฝันต่อไปว่าถ้ามีนาเพิ่มขึ้นอีกเป็นสิบเท่ามีบัวอีกห้าร้อยตัวมีค่าทาบปริวา น, 100นร้อยคนมีกฤะดอหาดหลังใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยเราคงจะมีความสุขมากต่อมาภายหลังเขาก็สามารถมีสิ่งที่มุ่งประสงค์นั้นทุกประการ แต่แทนที่จะมีความสุขเขากลับคิดต่อไปว่าถ้าเราได้เป็นมหาเศรษฐีมีทรัพย์แปดสิบโกฎมีค่าทาาบริวารจำนวนพันมีปราสาทสามหลังสำหรับอยู่ในสามฤดูเราคงจะมีความสุขถ้าเขาไม่ตายเสก่อนและสามารถเป็นมหาเศรษฐีมีทรัพย์สมบัติทุกอย่างตามที่ปรารถนาจริงเขาก็หามีความสุขไม่เมื่อได้เป็นพระราชาคลองแว่นแคว้นแล้ว ก็จะเป็นต่อไปพยายามต่อไปที่จะเป็นมหาราชาครอบครองแคว้นอื่นๆด้วยเมื่อได้เป็นมหาราชาแล้วก็ปรารถนาจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิครอบครองทั่วแผ่นดินต่อไปอีกไม่รู้จักสิ้นสุดธรรมชาติของมนุษย์ผู้ตกเป็นทาสแห่งตัณหาย่อมเป็นเช่นนี้ทุกคนอยู่ในลักษณะโยนความสุขไปข้างหน้าแล้วก็วิ่งไล่ตามพอตามไป ถึงแผนที่จะจับยึดเอาความสุขไว้แล้วก็ยุติการวิ่งไล่ความสุขกลับโยนเอาความสุขไปข้างหน้าแล้วก็วิ่งตามไปอีกวิ่งไปเรื่อยๆทำหนองนี้จนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตในที่สุดก็ไม่ได้พบความสุขที่ตนแสนปรารถนา